การทำก็นั่งเสีงต่างๆก็คือการฟังเรื่องของกายของใจเหลนี้เเรื่องของกายของใจนี้ก็คือจิตวิญญาณถ้าสับว่องสติแล้วไปดูไปเหอนสติตอนนี้จะชูเรียน มีพวกร่างกายมีพวกร่างกายเกิดกระจายขึ้นมาเห็นก็เหนายจตนนทก็กนนนเป็นลูกเป็นน เป็นลูกเป็นนามแล้วก็เห็นเป็นลูกทำนามทำที่มันทำดีที่มันทำชั่วเห็นลูกทำนามทำเห็นลูกที่มันเป็นทูกข์เนนามที่มันเป็นทูกข์เห็นลูกที่เป็นสมมติที่เป็นบัญญัตินามสมมตลูกสมมติบัญญัติ เห็นลูกที่มีวัตถุอาการต่างเห็นลกเป็นน้ำที่มีวัตถุอาการตาเกิดขึ้นกับลูกปนาม่เห็นการกระทำเมื่เห็นอาการของวัตถุที่เกิดกับรูกเป็นน้ำจะเห็นธรรมเ็นการธรรมดีธรชั่วจะดปัจา ลูวัดทาตเจริญวัดลูกของน้าที่เป็นวัตถุการ น, นั่งเป็ับรรยัติจะดว่เราเคือเกิดชากทุกข์ก็บที่รู้ที่นามนที่ที่ที่ใจนีกเป็นลูกปัญานามเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องที่เป็นอย่า เกิจากความคิดนานที่มันรู้เลยได้คิดอะไรได้เป็นส บ, บญญายนยานภาพจะเป็นจบเป็นทุกข์เพราะความคิดจะดีจะชั่วยเพราคะความคิดแต่อ ค, อความคิดถูกต้องโลกก็คอยสบายแตความคิดติดเพี่ยนในโลกก็พาเป็นทุกข์ ความคิดนี่เลยเป็นตัวใหญ่ที่เกิดจากน้จุิดได้ทุกอย่างคิดผิดก็ได้คิดถูกก็ได้แต่ถ้าเราศึกษาในส่วนประกอบบ้านก็ความคิดี่กระถาง บั่งมี <literal> มีความสะดวกแ่ความคิดทายยากจนก็ได้ถ้าไม่ศึกษาตามความเป็นจริงจนพู้ความคิดในความมั่งมีเท่าความคิดบางคนก็ใช้ความคิดในเต็มให้ความคิดใช้เราแล้วแต่เราคิดอะไรชอบมันมีการศึกษา ถ้าการสุดสัจน์ของมันก็จะใช้ความคิดในเขตประโยชน์เวทุจของก็เกิดจากความคิดมีวัตถุจิงของเข้าใช้ไม่สอยที่ว่าใส่ก็พาะความคิดไม่มีวัตถุจริงของเข้าใช้ไม่สอยก็คือความคิดคิดแบบที่เกี่ยวกับความคิดแบบขยันคิดแล้วก็มีรูป ไม่ไทำไม่ทำประโยชน์ก็เห็นเป็นหลักธรรนอย่างนี้การศึกษาทำหลักกาารรมฐานเป็นการศึกษาแบบนี้ผมคงสร้างที่เดินลูกเดินน้ำให้มีกำเกิดขึ้น ที่เป็นภพเป็นชาติเกิดขึ้นซืนอถอนภพชาติได้เกิดกับลูกกุมน้ำความชิดกับเป็นภพเป็นชาติหลายภพหลายชาติความชิดเป็นเปตเป็นเรือร้ายเป็นชนโลกเป็นในเลือดฉานมาความคิดเกิดดาวเกิดดับ ความค่คุมกัความคิดคือส ต, ติในสติเวลาไดที่มันคิดไปลู้สุกตัวความคิดก็ค่อยๆควบคุมไปความรูม้สุกตัวไม่เป็นเพราะเป็นชาต โปรดยอดเกิดจากความคิดจิสติเท่ากับควบคุมรูตัวคงกาเนิดของความคิดรามชื่อ็มีสองลักษณะตั้งใจคิดไม่ได้ตั้งใจคิดการตั้งใจคิดต่อคิดโชคใชนจิตสติใช้ความคิด จากความที่ชอบเกิดจากกรรทำที่ชอบขึ้นมาเดินประโยชน์จะเป็นการลือถวนเป็นบุญเป็นศรัทาไม่ใช่เป็นพาให้เป็นชุบเป็นทุกขไปอีกครั้งหนึ่งไปแบบที่ทำในความคิดมักเกิดผลได้ เช่นเห็นอะไรที่มันเกิดขึ้นกับลูกองนางแต่ก่อนทุก็เป็นทุกลูกทุกน้ำทุกถ้ามีจิตก็เลยเห็นเป็นลูกผมทุกน้ำมันทุกไม่ได้เป็นผู้ทุกพ้นจากความทุกหาใช้ความทุกจนพ้นจากความทุกทำไมเห็นสิ่งที่ คำนดเป็นเจนที่วัดเจนที่วัดนั้นจริงกับหลัเป็นที่วัดถูกที่วัดถูกได้สุทุกเป็นเจนสติเป็นตัวที่วัดให้สให้ทุกให้เป็นประโยชน์ เิาศึกษาคำภา ม, มนญี่ปุ่นแบบวหลัในถามที่ญี่ปุ่นทางความปินจึงจระกอบขึ้นจากเป็นทุกความคิดแอนได้ม่เลยเป็นจากเป็นทุกความคิดให้ความคิดเป็นการศึกษ า, ญญาให้ไปวิปัญยให้หหวนความคิด เห็นความคิดเห็นสมัยเห็นคัามกระทำที่เกิดจากความคิดมีกรรมฐานปติจจังลื้อถนกลับมาหาที่ตั้งสังขารเป็นจัววิ่งวิงวสังขารก็ตัวหยุดหยุดวิง่งหยุดลือ้อหยุดการวิง่งลื้อถอนการวิง่ง ของสังขาญคือมันปรุงมันแตกรูปจุดตัวที่กรรมาถามที่ตั้งในการการะทำหนึ่งประกอบกันกลอขึ้นมาในรองชาตเห็นกองชาตของกาดันตาที่เคยช่วกับลูกคนนามตามความเป็นจริง อาศัยกรรมฐ า, านเป็นเครื่องทุ่นเดิมที่บอกคาเทศจความจริงไม่หลักฐานไม่ใช่ไม่มีหลักฐานความดีอะไรต้องมีหลักฐานจะติดาสาตลาการเอาผิดเอาถูก่น้นโทษถูกจำเลยถูกค้นโทษ ก็มีหลักฐานหลักฐานที่เกี่ยวข้อหนับตากับเจาดูชอบถูกรรมาถอนเขไปเหนจนเห็นลูกเป็นน้ำหลักฐานเบื้องต้นมา ล, ลูกน้มก็บอกความเชือความจริงต่อไปน้นเชื่อไหเป็นไหนช่วาลูกน้ำ มนมีอะไรที่เกิดขึ้นกับลูกของน้ํานี่มันมีทุกมีทุกมันจะอะลายของลูกของน้ำ ม, มันเห็นมันเกี่ยวข้องกับทุกับทุกเรื่องเลยเช่นน้ำเช่นทุกของลูกสภาวะทุกนี่จะต้ง อ, องทุกอาการทุกการทุกนั้นเกี่ยวข้องกับ หลักฐานอย่างไรที่เรามีกรมาถามสิจจังศราวัตถุทุกกาหน ด, ดลูกเฉยๆไม่ได้เป็นทุกข์เพราะสภทาวทตถุหายใจเข้าหาใจออกคือ น, นําลายทุกตาหาใจคิดนึกิเดินด้า น, นอนผูเอยากใช้ไหวต้องกินต้องสตองาต้องหลับต้องนอนเป็นศรทาวตถุของลูกตามคมจริงแสิของเขาแค่นั้น ไม่ออกมาเป็นตัวเป็นตนเกี่ยวข้องกับทุกตัวนี้เพื่อหลุดเพื่อพ้นเพื่อลู่เพื่อได้ปัญญาแต่ก่อนไม่รู้จักเอาถิ่งเหล่านี้มาเป็นตัวเป็นตนหมดเกี่ยวข้องกับทุกที่เป็นชาประทุกปุกถูกต้องไปไกลนั่นไปไกล อาคารตุกตากทุกทุกที่จอนมาจนอยู่เฉยมเป็นไรวันนี้ดีอยู่แต่วันวันหน้าเกิดอาสาเชื่อมากับการกับจอนเกิดกับลูกของนางที่เป็นอาคัรตุกตากจอนบังไม่เคยเจนวันไม่หวานไม่เคยนแต่วันนี้มันเจน ทุกคืนก็นอนหลับสบายแต่นี่นอนไม่ค่อยหลับมีอะไรเกิดขึ้นฉันเจอกับลูกอาจะท้ออเจอกับสุขภาพเรายส่ข้างเจ็บเาจะรักษาหรือจะเจียวท้องกับสิ่งอะนั่นที่เกิดขึ้นสังเกตดูก็ได้จิตใจหรือจะรักษา ให้เกิดกำดังทเกจะตะลรกขึ้นมาตาหลงขึ้นมาปรุงจตงขึ้นมาจะรู้จักวิธีลื่นถอนได้ปัญญาได้บทเรียนจากธรรุกะเกี่ยวข้องเชืาาเ่อไหนเชิงไรทามอย่างก็ต้องได้ประโยชน์หรือคิดว่าบางอย่างก็ได้ปัญญา ถเราจาะกล้องถูก <espresso> นี้จะตันยาเห็นอาหารทุกอันทุกนเกิดขึ้นเรื่องเก่าๆเจาะกล้องมันเจาะกล้องหมดรวนสมุนไพยที่ทำไมเกิดขึนทูกทันเกิดขึ้นนั้าเห็น จะทาว่าทุกวันตุกรทุกข์เรเห็นสมทัยเหมที่เกิดทุกขก็เข้าไปเชื่อมันทำความาริงไม่ใช่ไปเชื่ออันเดือดเช่เในที่มันเกิดให้เป็นทุกข์ทั้งจะเป็นทุกข์ลด้ก็เชื่อได้โดยจับเชื่อใช้ประโยชน์ดยปัญญา ส่วนแบบชุดาชุดาขนก็ทุกคนที่เจ้าอรสมดุลก็ว่าส่วนแบี้ขาทุกนี้สบาทุกทำงานเชื่อมได้ที่จะบรเทาเป็นเนาไฟถ้าหง่อคอยชิมถนอนกอบน้ำถ้าหาวผมผ้าแบบนี้จะชินต้องงอนต้องเดินวีเดินต้องงอนเดินนั่นมันเชื่อได้ ว่านอนต้องจบนอนอยู right? ่ทักเกวันอยู่พือนก็ไม่ได้นั่งสบาดีนั่งอยู่งั้นก็ไม่ได้เขาต้องแก้เชื่อตัตามคำบัญาของมันชื่อไม่หมดก็เลยเรียกว่าเช่เป็นการบเทายุ่งจังๆนี่ก็เกี่ยวข้องกับทุกถูกต้องถูกทน้ำทำที่มันทาดีที่มันทาชั่ว มันทําดีเห็นมันมันทำเชื่อเห็นมันถํามนทำดีเนี่ยมันก็จะเป็นลูกทําเหมือนกันทำบ้านน้ำเชื่อกปนลูกมันพูดทํานานทําจนทําชั่วเหมือนกันจะได้เห็นงานเพรว่าที่เห็นลูกเห็นน้ำมันทําดีทําชั่วนี่มันก็จะ ่วยรูปชิดน้ำเส้นเส้นน้ำชิดไ่ดีจะไม่นอนไม่หลับก็ ย, ยุติมันได้มีชุดเห็นวันได้ความสุขลาแตามันทำดีก็ทำได้แต่มันยดให้มีระเบียบดามเานไม่ช่วยหัเรื่องมันคิดเวลาทงานะไรตางก็ช่วยหเรื่องมันคิด จนกรราจะดีก็หยุดความคิดที่เจี่ยวับที่เจี่ยวกับความคิดที่เกี่ยวกับคิดก็หย่นกับคิดเป็นตามความคิดที่เป็นความญาตนะมีสติปัญญาคอยช่วยช่วยนำทำดีได้สำเร็จแล้วก็ช่วได้สำเร็จหลุสมุทรจะเป็นน้ำสมุทรบำญัด ต้องไปเกี่ยวข้องความคิดกัเรืนสมมุติเป็นนามสมมุตชื่เกิมาแต่ที่เดือต้นหาเป็นตัวตป็นตนสมมุติขึ้นมาบันหยกักขึ้นมาว่าเราเอาความคิดว่าเป็นตัวเราชายเป็นจุเลต้นหาผงแสงกับกลางระฆังขึ้นมาผงแสงขึ้นมา ความมายสมมติบ so, so, so ัญญัติความหมาสมมติบัญญติก็ควรใจแม่ใจเสระกดังต่างขึ้นใช้ลูกของนางซ่งจะเป็นสมมติบัญญัติเนั้นความรักความร่างความปวดควมโล่งความหลงคดีใจเฉยใจคมสขควทุกข์ก็จะสมมติบัญญัติบางทีว่าตัวเป็นที่ตั้งก็มีบัญญัติเอาว่ตัวเป็นที่ตั้ง บางทีว่นานามาทำเป็นพิั้งเกิดความลากักความเกียบช่างมีวัตถุเป็นพิั้งแต่ก็เพลินมันก็มีวัตถุมีตามีหูมีจ ม, มูกมี้าใจรูปมีนกนี้ลินมีเสียงมันก็สนุกดีเมื่อเราศึกษาต า, ตาเห็นฟองช่างของรูปของนาม ด้วย้จักเลืจากถอนด้วยจา ก, จ ก, จกแจกแจงแยกแยะออกดันเชื่อมดันชวนเพื่อจะได้ใช้ให้มันเป็นหลักฐานช่วงหลงเป็นหลักฐานเพื่อให้แก่ตัวไม่หลงช่วงทุกเป็นหลักฐานเพื่อให้แก่ตัวไม่ทุกช่วงโกรธเป็นหลักฐานเพื่อให้แก่ตัวไม่โกรธ ควาหลวงกวามรความทังเป็นหลักฐานอะไรต่างมีหลักฐานเพื่อเกิดชงกันข้ามีิตก็จะไม่จนชีวิจะไม่เป็นหมันหลงก็ไม่เป็นหมันในความหลงทุกก็ไม่เป็นหมันในความทุกข์เกิดเฉลยตัณหาไม่เป็นหาในเลยตัณหาเพราะมันเห็นหลักฐานแต่ว่าโดยย่อเราบอก สุทุกข์ประกอบคิดนี่เละตัวสำคัญเลยหยุดความคิดไม่เป็นเมื่อไม่มีจรรมฐ า, ามเมื่อมีกรรมาถามหยุดความคิดเง่อยได้สําเร็จสิ่งใดที่เกิดกับความคิดหรือมันสุขมันทุกข์ความคิดจบจบต็งอันสุขทุกข์เกิดจากกลุจากกายอยู่จบไม่สัเป็น ทุกที command, ่เกิดขึ้นอันนามทำจบตนจบเด็ดขาดตนเด็ดขาดตนที่เลือเป็นหน้าละค่ะเกิดจากนาม่ทรมเด็ดขาดตนความเหงาเข้าความร้อนควาหนาวเกิดจากนามธรรมไม่เด็ดขาดแต่เราถ้าเราไม่ศึกจ่อเรื่องใหญ่กว่า เรื่องการมาทำมันเรื่องใ้ญ่งจุดสักคือล้วง่ายกว่าเรื่องที่เพราะมันทำได้แล้ก็มีเงอนเก่าส่วนลูกทำเนี่ยมันมันก็เจบเพกาบมันแค่นีเพราะมันคือหน้าที่ตรงนี่เกิดขึ้นแล้วต้องอยู่ดอกไฟเกิดแล้วมีแนวหลายต เจีเติายตายอีรูปมันจะแางนี้สวนน้ำมันข้างเดียวจบเหมือนกับพระเจา้าตัดผมเ้าเดียวจบแล้วเรื่องนามธรรมที่เราเป็นตกเป็นทุกข์เพราะความคิดหนึ่งน่าจะไม่เป็นนานไม่ยาวานาน เราเราจะจดีๆสองรอกสามรอกเหมือนเขาสอดาวันก็อยู่คั ด, ด, น ด, ดินรอบออกสีนรอกจดนรอกโชดจดนรอกเลือกจีนตั้งหลายจีโรอบนี่จีนรอก็จบได้กำลังจะึไม่ไม่เพียงพอ ถ้มีประสบการณ์แล้เกิดพัสดาวังทักษิณามีกี่รอบสามรอบจำนวนที่็ระสบการนาคามีผู้มีโลกเดียวคบเดียวก็ความยานานในการประสบการณ์บทเรียนจากสิ่งที่มันเกิดขึ้นมามัน่วยทำมันเรื่ึยนให้ใจใดีๆ เช่นก ล, กลัวนี่นกลัวก็ดึงกลัวแต่ที่มเกิด จ, จากกลวอะไรอะไรก็่มันเกิดจากคลัวชีวิตแคงเดียวก็ได้ผู้สูงสุดยึดได้สุดย่องแต่กลัวถ้ามันมาเลย เรามีสติที่เป็นบทเรียงที่มันกระทบกับเราอย่างเนึ่งแล้วก็ก็มีกำลังเลยกระบอกกั น, นถ้ามีคำาถามสติจเรื่องมือมีวิธีการอะไร่มากาลังแรงจะอาจจะได้ผลแบบได้ผลมากกว่ามาแบบไม่ลมเลยขวากลัวอย่างรุนเลย จะรอดยู้ไปทั้งตัวควารอดบกกว่างร้ตอนมรอดลไปก่อนเลยานร่ากนนม า, ม า, า, กา ย, ยควารอดตกไปตกไปตอิดรมันมาตลายจนเกิดขนลุกมาเนืรูผลมันปิดความรอดดู่มันช่วยเหือนแต่ถ้าปลอ่อยมันรอนบูไปบทความรอดจะ ชอตตายก็ได้บางคนอาเป็นเนื้อเฉยๆเนื้อธรรมตาที่มันเปี่ยนแปลงถึงขบางทีมันจะ็ตไประมันตัเตื้นดูไปท้ายเฉยๆแต่ฉันยังการประสบการณ์บทเรียนที่ได้จาก อาการต่างๆเือม า, า, ม า, นานใใส่เพอคบคุมฝุ่นฝุนให้ใส่จดีๆนะเวลาชี่เด็ดทางลาดาันลาดนักนั่กัวนเหมือนกเจ้าผู้ปกคองต่างๆเงิ่นต่างๆของเจ้ า, รร า, จ เ, ร เ, าเราขนาดอดเดินลึกขนาดจะคมนี้เราไม่หนีคนนี้ไ ม, ม่เห็นเจ้าเท่าน้ว ก็จะทำให้เรามาได้ไปแล้วนี่มันเป็นงานที่ไม่ใช่ปล่อยเท่าอที่เกี่กับจิตใจในตัวงานของที่ต่อให้เกิดเป็นชีวิตขึ้นมาถ้าไม่ทำงานที่เกิดจริงที่เกิดที่กับจิตใจคือความคิดไม่จบ ก็จะต้องมีบชาติที่ไปฐานเก่าก็เกิดแล้วกระดูมากขึ้นมากขึ้นเกิดขึ้นมาตับให้เล็อดูใส่ใจยอะมัก็มากขึ้นมาขึ้นนะแตละเกิดที่จารู้ตัดใจปฏยาใปากาจิตสองมีวิธีทำแบบนี้ ทุกควาเอหน่ายเกี่ยวกับทุกท bon ุกอารมณ์ูด้กัทุกคนทุกข์้อะไรก็ทแบบนี้ว่าจะทุกข์เราทิ้งไว้ใจอยู่ดีมันก็์ขมาอะไรที่ทุกข์เรื่องใดเขึ้น ถ้าหมดรู้ด้วยวก่อนรู้่าเดือเฉยม่ดืดหแล้วู้แล้วทากับทุกเดือนก็เยวิธีวิธีพูดนะถูกหรือผิม่รู้ผู้มีสติปัญญาเห็ทุกเห็นทุกคนทุกเชื่อนึ่ไม่ได้ทุกหรอกที่แต่เห็นทุกไม่เป็นผู้ทุกเราต้อ่อาทุกทุก ส่วนความคิดที่มันเิดาเห็นมันไม่เป็นพุทจักจงมันเก็ดขึ้นมาวิธีทำกับแบบปฏิจจุติสามอช่นเดียวกันทุกสมถโลธมรรคปฏิสัมม์สัจจนสัจจีนจังสัจจนีกรรมฐานทุเรงานนี้ขึ้นมา ผลงานมาอยู่ที่นถ้าเราทำความเมตตาไม่มีผลงานไม่ด้วตกทําำประจ ม, มทำาล้วไม่เสร็จได้วยการทำประจมงทำ่ล้วมันต้องเสร็จเราที่เกิดกับ้ายกับสาต้องเสามมาร็จแ ม, มา่มทุกสภาว่าทุกคนจบแล้วออกไปนู่นแล้วมาที่ใดวางที่นั่ไนไข้างหลังแล้ ว, วจุ้จที่เริดกับที่ใจเสร็จแล้ว เุกูห่อไม่เห็เยวตอก็ไม่เห็นหนึเยวบางครับมันมาตาคมคืนทัวตป้บงไม่ถูกต้องรงจริงเาการว่าทหารเราไม่อเคทำให้เราได้งาที่ใช่แบบนี้เสนอดีที่มีทุกหนทุกกามันไม่ทุกคนทุกไม่เป็นผลทุกคนจบทุกทุกจะทำไปแล้ว ไม่ทำแล้วทำได้แล้วเหมือนชามุทายเห็นเหตุที่มัเกิดทุกข์แล้ไม่ทำเหตุดีนั่นแล้วทุนจากเหตุนั้นเองเห็นพร้อมทำไม่แคงสิโลมแย้เแล้วทุกข์กับรอมไม่ทุกข์ต่างกันอยู่แุ พระแจ้งนะแจ้งจริงโปรดทำพแจ้งาทมากเราแจ้งได้เาพ้นจากมืดแล้วมากวิธีที่ปฏิบัติต่อเจรนบบนนเนนินี้ถูกทั้งหมด้าแบบนี้ทั้งหมดน้าเงินไปแบบมืดทั้งหมดเยถูกทำถูกพูดถูกเราต่างั้ดเลย พลังไปเลยแล้ น, นี่เป็นทางไปสู่ชีวิตที่ไม่มีกิก่งเจ็ตาจบางทีคนปฏิวัติรมเห็นอะไรเกิดขึ้นก็ไปใชยอมไปจำนจนเอาว่าเน่าคนอื่นฟัง เกิดควารมรขึ้นมาเกิดเี้ยขึ้นมาเกิดสร้างขึ้นมาเกิดเพื่อน้อยขึ้นมามันเปนส่วนตัวถ้ากรมฐานอยู่ไม่ไม่ดีไม่ดีที่จะน้ใจฟังผลงานของเราที่ทำคนเดียวเท่าันไม่ใช่คนอื่นช่วย โอยคิดเถอะทำมาตอบเถอะทำต่ควมคิดมันไม่ก็ไม่ม่คิดสร้างเรื่องคิด c ร้ i งขึ้นมาแล้วเราเห็นอย่านี้อะไรก็เกิดขึ้นมาแบบนี้หมดเนื่ยกว่ยงมเป็นทุเได้กกตรงไหนเี มันก็เพลนทุกมันม่ใช่บทสนมีเดินทางบทสนนอกจากหลักการเฉพาะที่แล้วเยื่อเกื่อวกับความเกิดความหดเยอะกี่ยวกับพเกิดกับตายกับเราเรานี่ยมันก็ได้ปัญญาบทนี้ การเปิดกรรมฐานได้จริงๆนี่ว่าวิปัชนนาช่วงก้นภาวะเก่ารู i เชื่อวิวิปัชนาคือรูปเชืรูปเ e ื่ออย่างวิเที่มันจเปลี่ยนที่มันจะคิดฝ่ากับใจเราหนึ่งรูปเชื่ออย่างวิเศเจ้าหลาูปเชืวิเอยู่้อหล ฉันความหลงไม่ถูกต้องมันต้องเป็นความไม่หลงถต้องรวมทุกมนรวมไม่ทุกทุกจะกู้ก็ดีรูแจ้งแล้วทุกจะน้ก็ดีรูแจ้งไม่มื่อยเหมือนเมื่ก่อนทุกนไม่โกรธฉันโกรธแค่หลงฉันหลงไม่ให้ปัญหาที่าไปรูแจ้งที่มันไม่แจ้งที่มันมื่ตอนมันจริงเต็ h ทุกฉันทุกทุกฉนทุก โปรต <jak> ั้ง <leurs> ก่อนโลกสันหลงเลดุสเลดลาทะลาทะมันมืดมันแจ้งแล้วมันมันอยมันลอยมันมืดเป็นอวิชชาอวิชชาก็าไม่มีอะไรอยู่ใน่นัีในเสียบส่วนมืดที่ได้มีต่าก็ไม่เสีย นาที่เดมี ป, ะะปมาจาตมะเชียวหวาดอยู่ผู้สะาชอจับจ้องมองเหยื่อทุกวันว่าคเคเดินตาบและระวังหลังใจ า, าที่นี่เป็ยเชี่ยวันตัญหาอาวิชาตัวมารุเข้ลงไหลเอาวิชาคือป่าแม่เชีย่ยวงามตัญหาสำนักดหเเมื่อไดฆ่าเสือได้สบายจริงๆนั้นก็ ตัวทสือชิังนึิบังหนึ่งไ่ใชให้เสือมันกัดเราคว้เราเจ็บปวดชิบังหนึ่งนะเราวิร์กชะเราเพาอาหารลมตัวผู้หญงกมกเพื่อกอมเราจะหน่อยนะ พี่รู้จักกูกส้่อของ่อของบานให้ลูกตื่นแมะให้ลูเป็นลูกเมีองงานคนึง ทันาสาจะทำไม่ถูกใจจะต้องลงทุนล ง, งทุนใหญ่เลยวผู้ตับรอยู่ที่นี่ ม, นมาตั้งบ้านเป็นขนาดใหญ่แม่แม่แม่วัดคลย ไ, ไขายของเด็กสาวกนมาตั้งล้านขายของม า, าทําบินจิบตัทุกวัน กายโชว์โว์แ้วก็เราพี่โกเป็นสมบัติสมบัทุกวันโดยเาะหลงพี่โตเกิเอาเงินทางไแล้วก็แล้วตรงแล้วก็ตรงทางใให้ใจเอาของไว้ในบ้านในบ้านในบ้าน พอเห็นล้วพี่เรียนโยกอมานม่วันน้องพี่หอเคร็จไม่หมดเดพี่เอรียนามไปไม่ใช่เจแล้พี่พี่จะ จ, จีบตามไเมื hmm. ่ัคุณได้กต๊นต์หน้าบ้านเอากระเปาวบ้านมนก็ใกลบ้านมาที่ประตูรอยยกนมานตนประตหน้าทังเลยมาลากหน้าบา การนุ่งนอนหมอะไรต่างๆทีเช่าเกี้ยวเท่าอะไรแต่เนี้ยแต่เวลาไป h างตะกร้าเกี้สัมผัสกับมือเราที่เรื่องมันจะมีแต่จมาจะมาเราที่รับปากทุกวันทุกวันหน้าวางแผนทำบบยงทาทุกวัน้เพื่เนฉอยู่ที่บ้นส่วนจะูีที่่น ยอทาที่นันพอถึงรวลาถ่ายมาเพระี่ยมคืนอยู่ Mas, um, ้าง่างบางรสองนันวนญพระโลกเศรษฐีจะไปอยู่ที่บนเท่ากันไปบูปถักรกันโดยเรือนถวายองทุกคนเราทมาตป็งตมายาใจทำให้พระนุ่ม บอถ้าเรนี้จะไมีคำมั่นัเขาทำอะไรก็ทุกหมดทุกอยารมาจริมีโอกาสที่ต้องทาอะไรกับิงนามรโอกาสกันทีเนื้อเธอชิดในอย่างพูดออกมา ตอนนี้เปิดจุดเดือดสนามทได้ชนะได้เห <c ười> ็นตอนนั้นได้ลงสนามตอนนั่นนักโลกตอนนั้นเข้าลงสนามอย่างเต็มที่ได้เหนสนามแล้วก็ชุนน่องเลยามเออไม่พอที่งมีชนะแล้วก็ชนะต้องฟุาับม คิดต e ังงเองตังันี่มันลบมันชนะนะถ้าไม่ลบเนี่ยเพราะมันเสร็จแ่นทไมไม่ลบเามันอยอมมันถ้ามัต้องยอมมันต้องเป็นนักลบต้องเป็นนักลบร้องโกรธเป็นนักลบสน่ยนะกเป็นนักลบถ้าไม่เสร็จเดือนอ่นลบก็ปลายรอถ้าไม่มีอย่างนั้นก็ลบไปเลย เ oh, รลบก็จริงเลยเนี่เราเนี่ไม่ชี้เจาจริงไไม่ก็เจริญไม่ก็เจรนี้ก็ลบแต่พิจารณาสินักลบอ่าลบก็สะากดถาไม่ลบจะไม่ได้เป็นยอดกัไรการมีเงินเติบตก็มีท่เรียนี่ไบวชที่เท่าไห ถ้าไม่ชนะันอะไรที่มันเผด็จะมนุนสเเราต้องเจะต้องกดต้องฝ่าต้อย้อนจำแนงต้ความใจต้องกาต้องตาตถงามันหลงจะพูดหลงคนจะกลมหลมันทุกข์มันจ็ทุกข์คนจะกลทุกข์เด็ดลกับอะไรไหจะมีอะไรอย่างนี้เข้ามาหลัเราเหนมัน เจ็ไม่เป็นเพื่อเลย็มันเจ็บไม่เป็เพื่อเจ็บเห็นมันตายไม่เป็ืตายยาจะพูดตรงไว้ก่อนมาเย็นเจ็บถ้นเจ็บจมกจะตายถ้าคมตายถ้าเราม่ลบทั้ี้เาไม่ยัก็ไม่ชุนแงที่เรื่องทั้ชันไม่นำมาเาจึงเราคือว่าเราไม่เคยกับตัวเราเล กรฐานนะนัวิปตนาถ น, นัมวิทเทวเดินคนลงคนลงคนลงคนงานั้งเราสุ่มหมายไฟฟ้ารวมกด้นจากชิ้นที่มันเศ็ดขึ้นกับไากับเจอกระโนานทุกอย่างทุกเรื่องจนจุดมนงไรารอความแบบลักความขังกับขันวาบความตายไม่มีปัญหา ให้ความหมายแล้วหรับเรายกให้ได้วมีความหมายสหรับเราต้องการควมหลุ้่ใช่ะจากว่าอ่งเยๆไม่ใช่นี่กป้องมว่ใเจ้าหลักชีมีเล่ห์หานมากไ่นะเพื่อความหลุดพ้นอยู่คนเดียวก็หลุดพ้นลนเงินไปกัน อยู่ตงหนสาธารณะหรือเา้ามันหลงก็มี้นจากคหลงตอนมีการเปิดกฎข้นจากคนโผด่อย่าปล่อยทิ้งไว้มันเป็นหอกค้างเท่าไห่อดเดนตหนหลากฐานข้จากจุดเด่อตรงไหนหลักฐาถ้าปล่อยทิ้งไมันเป็นหอกค้างเท่าไร่มันมากมันหมักหมมันเป็น่บหมักผม มันบอกก็จะมุ่ปเมื่อจะชมยิ่งนั้นเม่อใดมีเช้อต่อเชื้อที่เป็นยิ่งนั้มีรองากคณะมีนามสอเจ้ามีพรล้าเดินทางก็ทางุดเดียวกั đơn con đ ề u i h sự mãi a x h u r ằ g chuyển mắt còn biết nọ n n t g nụ đ i t h à t h chút quân tử